ตดีตขันธิกรถาว่าด้วยอดีตขันธ์เป็นต้นหนึ่งณสุดตะสาธนาะว่าด้วยการไม่อ้างพระสูตรสองร้อปรอดีตเป็นขันธ์ใช่ไหมสกใช่ปรอดีตมีอยู่ใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอดีตเป็นอายตนะใช่ไหมสอกอใช่ ปรอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอดีตเป็นธาตุใช่ไหมสกใช่ปรอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอิจตนะใช่ไหมสกใช่ปรอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปร อนาคตเป็นขันใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอนาคตเป็นอายตนะใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอนาคตเป็นท่าใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตมีอยู่ใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอจตนะใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรอดีตเป็นขันอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปร ปัจจุบ so, yes. ันเป็นอายตนะปัจจ so, yes. so, yes. claro ุบ so, yes. ันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรออดีตเป็นอายตนะอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรปัจจุบันเป็นธาตุปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรออดีตเป็นธาตุออดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตเป็นขันอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรปัจจุบันเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตเป็นอายตนะอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรปัจจุบันเป็นธาตุปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตเป็นธาตุอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปร ป тебя, да я, jog, meine, ัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอดีตเป็นขันอดีตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปอรอดีตเป็นอายตนะอดีตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรปัจจุบันเป็นอายตนะปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอดีตเป็นธาตุอดีตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรปัจจุบันเป็นธาตุปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปร อ, อดีตเป <ock, S 2> ็นข <depression. S 2> ันเป็นธาตุเป็นอายตนะอดีตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอนาคตเป็นขันอนาคตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรปัจจุบันเป็นขันปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 รูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรูปที่เป็นอดีตเป็นอายตนะใช่ไหมสกใช่ปรรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรูปที่เป็นอดีตเป็นท่าใช่ไหมสกใช่ปรรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ป ο. รรูปที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมสกใช่ปรรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรูปที่เป็นอนาคตเป็นขันใช่ไหมสกใช่ปรรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปร รูปที่เป็นอนาคตเป็นอายตนะรูปที่เป็นอนาคตเป็นธาตุรูปที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมสกใช่ปรรูปท in ี่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรรูปที่เป็นอดีตเป็นขัน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 สกใช่ปรรูปที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็ น, ฐาฐปนอายตนะรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรูปที่เป็นอดีตเป็นขันรูปที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันรูปที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรรูปที่เป็นอดีตเป็นอายตนะรูปที่เป็นอดีตเป็นธาตรูปที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาตเป็นอายตนะรูปที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตเป็นอายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรูปที่เป tota ็นอนาคตเป็นขัน รูปที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปร ร, ปปรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นขันรูปที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรปนนรูปที่เป็นอนาคตเป็นอายตนะ ร, รูปที่เป็นอนาคตเป็นธาตุรูปที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะรูปที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปร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 ปรวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นธาตวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาตเป็นอายตนะใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหม สกใช่ปรวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขัน เป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญ ญ, ญ driving, าณที่เป็นปัจจุบันเป็นอายตนะ วิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันวิญญาณที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหม สกใช่ปรวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอดีตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขัน <Jub ilee> เป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที hmm. <S 2> <S 2> mm ่เ hmm. ป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันวิญญาณที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นอายตนะ วิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรรวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสุตะสาธนะว่าด้วยการอ้างพระสูตร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 มีอยู่จริงนี้ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าขันธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีปรขันธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปทั้งหมด ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้เรียกว่ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้เรียกว่าวิญญาณขันมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าขันธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีอยู่ ตีตักขันธาที่กระถาจบเจ็ดเอกระจมัธิตต็กรกถาว่าด้วยบางอย่างมีอยู่หนึ่งอติตาที่เอกระจกทา ว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอดีตเป็นต้นสอง้อยก้าสกสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีสกสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างดับไปแล้วบางอย่างยังไม่ดับไปบางอย่างหายไปแล้วบางอย่างยังไม่หายไปบางอย่างสูญไปแล้ว บางอย่างยังไม่ศูญไปบางอย่างดับศูนย์ไปแล้วบางอย่างยังไม่ดับศูนไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมอะไรมีอยู่สภาวะธรรมอะไรไม่มีอยู่ปรสภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลเหล่านั้นมีอยู่สภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีอยู่สก สภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สก สภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลดับไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลดับไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า สภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่สก ส, สภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหม ปรใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 ปอรอใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตส่วนหนึ่งให้ผลแล้วอีกส่วนหนึ่งยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปอรอ สภาวธรรมที่เป็นอดีต ท, ที่ยังไม่ผลก็จกให้ผลไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากสภาวธรรมที่เป็นอดีต ท, ที่ยังไม่ผลก็จกให้ผลดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีต ท, ท, ท, ท, ที่ยังไม่ผ ล, หผลเหล่านั้นมีอยู่สกเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลจกให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหม ปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลจากให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ผลจากให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่ สกเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันจักดับจึงยอมรับว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมบอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองอนาคตาทิเอลกัจฉาคาถาว่าด้วยสภาวะธรรมบางอย่างที่เป็นอนาคตเป็นต้นสามร้อยสอกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหม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 ปร us, ใช่สกสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นบางเหล่ามีอยู่บางเหลาไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมท rauen, ี哈哈哈่เป็นอนาคตซึ meats, ่งจกไม่เกิดขึ้นบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหม ปร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปอร์ใช่สอกอสภาวะธรรมอะไรมีอยู่สภาวะธรรมอะไรไม่มีปอร์สภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่สภาวะธรรมที่เป็นอนาคตที่จักเมื่อเกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีสอกอสภาวะธรรมที่เป็นอนาคต ซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหม αι? ปรใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจกไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหม αι? ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจกไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีใช่ไหม αι? ปรใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีใช่ไหม αι? ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปอร์อใช่สกสภาวัธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดใช่ไหมปอร์ใช่สกหากสภาวัธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวัธรรมที่เป็นอนาคต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 ปรใช่สกสภาวะธรรมที no Frage, ่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ใช่หรือสกใช่ ปรหากสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจกเกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่สกเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจกเกิดขึ้นจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนมีอยู่ใช่ไหมปรใช่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 ปอรอใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันจักดับจึงยอมรับว่าสภาวะธรรมที่ปัจจุบันเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกั จ, จมัมถิติกัฐาจบ ประธานนักถาว่าด้วยสติปรธานสามร้อยหนึ่งสกสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติประธานใช่ไหมปอรอใช่สกสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติเป็นสตินสีเป็นสติภละเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชฌงเป็นทางเดียวเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตัดสรุ้ให้ถึงนิพพาน ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอาร husbands, มณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติ อาณาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรใช่สกจากขายตนะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจากขายตนะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรใช่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 จาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานาสติมรณะ น, นุสติกายคตาสติอุปสมานุสติใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอโสตายตนะคานายตนะคิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะขันธายตนะรส า, ายตนะโพธพายตนะราคะโทสะ โมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาถีนะอุทัจจะอหิริกะอะโนตปะเป็นสติปทานใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกออะโนตปะเป็นสติปทานใช่ไหมปอรอใช่สอกออะโนตปะเป็นสติเป็นสตินสีเป็นสติภะละเป็นสัมมาสติเป็นกายคตาสติ เป็นอุปัสมานุสติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสติเป็นสติประธานและสติที่เป็นสติประธานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรใช่สกจักขายาตนะเป็นสติประธานและจักขายาตนะที่เป็นสติประธานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสติเป็นสติประธาน และสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรใช่สกโสตายตนะกายายตนะรูปายตนะโพธายตนะราคะโทสะโมหะมานะอโนตปะเป็นสติปัฏฐานและอโนตปะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหม lev? ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักขายาตนะเป็นสติปัฏฐาน แต่จกขายัตนะที่เป็นสติปทานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปรใช่สกสติเป็นสติปทานแต่สติที่เป็นสติปทานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโธตายัตนะกายายัตนะรูปายัตนะโพธพายัตนะราคะโทสะโมหะอโนตปะเป็นสติปทาน แต่อโนตปะที่เป็นสติสท ป, ปทานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปอรใอช่สกสติเป็นสติปทานแต่สติที่เป็นสติปทานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรอ้อยสองปรท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปฐานใช่ไหมสอกอใช่ปอรอ สติปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากสติปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานสกสติปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรใช่ สกภาษะปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นภาษะประธานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสติประธานใช่ไหมปรใช่สก เวทนาปรารบสภาวะธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้สัญญาเจตนาจิต dumping, ปรารบสภาวะธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้เพราะเหต Tower, ุนั้นสภาวะธรรมทั้งปวงจึงเป็นจิตตาปัฏฐานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ทั้งปวงมีสติตั้งมั่นประกอบด้วยสติ มั่นคงด้วยสติสติปรากฏแก่สัตว์ทั้งปวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยสามสกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติประฐานใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุททั้งหลายชนเหล่าใดไม่เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บรรลุอมตะธรรม ชนเหล่าใดเจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอมตะธรรมมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกสัตทั้งปวงเจริญได้เฉพาะส่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติปทานใช่ไหมปอรอใช่สก พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมานตเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นทางสายเดียวใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิปรากฏแก้วเจดประการจึงปรากฏแก้วเจดประการอะไรบ้างคือหนึ่งจักแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่มณีแก้วห้านางแก้ว 6. หกข้าพดีแก้วเจ็ด ปรินายกแก้วเพราะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิปรากฏแก้วเจตประการนี้จึงปรากฏภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพโฉงเจตประการจึงปรากฏแก้วเจตประการอะไรบ้างคือ 1. แก้วคือสติสัมโพชงสองแก้วคือธรรมวิจยะสัมโพชงสามแก้วคือวิริยะสัมโพชงสี่ แก้วคือปิติสัมโพชงห้แก้วคือปัสสิสัมโพชง6แก้วคือสมาธิสัมโพชงเจแก้วคืออุเบกขาสัมโพชงเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชงเจ็ดประการนี้จึงปรากฏมีอยู่จริงมิใช่หรือปรใช่สกเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏ สภาวะธรรมทั้งปวงที่เป็นแก้วคือสติสัมโูชงจึงปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติปทานใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสมัมมาปทานเป็นอิทธิบาทเป็นอินทรีย์เป็นภะละเป็นโูชชงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สติปทานทานักทถาจบ